ในความปรุงแต่งมีใจที่ไม่ปรุงแต่งบานเป็นธรรมชาติอยู่ของคู่กันไม่มีใครดับใครไม่มีใครเอาอะไรไปดับความปรุงแต่งและไม่มีใครมายึดความไม่ปรุงแต่ง ไม่มีใครมายึดความไม่ปรุงแตง่งและไม่มีใครพยายามไปดับความปรุงแตง่งปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปแต่ไม่มีใครยึดมันก็เลยพบใจที่ว่างเปล่าคือมันปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปแต่ไม่มียึดม่านที่บังตาใจก็ถูกเปิด ciendo, ออกเลยพบความว่างข้างนอกเอาวิชาเป็นเพียงแค่เป็นม่านมาบังใจแต่ความว่างความไม่ปรุงแต่งมันมีอยู่แล้วแต่มองไม่เห็นเพราะม่านคือ อาวิชามาบางังเหมือนในห้องเราเนี่ยพอเราปิดบ้านเราก็มองเห็นความว่างข้างนอกพอมาเปิดออกปุ๊บเลยมองเห็นความว่างข้างนอกความว่างความว่างมีอยู่แล้วแต่เราไปยึดความปรุงแต่งซะปุ้นวายกับความปรุงแต่งจะเอาความปรุงแต่งไปทําอะไรอยู่นั่นเนี่ยเขาให้ปล่อยวางความปรุงแต่งแต่เราจะเอาความปรุงแต่ง่ะไปทําอะไรอยู่นั่นเนี่มันเลยผิดตัว เขาให้ปล่อยวางความปรุงแต่งเหตุเฝ้าอยู่ที่ประตูใจละอยู่ที่ประตูใจปล่อยวางอยู่ที่ประตูใจเราไม่ได้เฝ้าที่ประตูใจละที่ประตูใจปล่อยวางที่ประตูใจเราเอาประตูเอาความปรุงแต่งของขันหน้าไปปรุงทำอะไรอยุ่มดเลยสารพัดจะเอาขันหน้าไปปรุงแต่งทําให้ใจว่างทําให้เอาขันหน้าไปปรุงแต่งทําให้เป็นนิพพานเอาขันหน้าปรุงแต่งพยายามไปให้พบนิพพานปารุงยังไงมันก็เป็นอะไรมันก็เป็นความปรุงแต่งเป็นขันหน้าแล้วนิพพานมันคืออะไร สิ้นยึดขันหน้าสิ้อุปท า, านขันหน้าเห็นว่าอะไรเห็นขันหน้าเป็นปุงแต่งทั้งนั้นอย่ากปุงแต่งกับปุงแต่งไปดับมันก็ไม่ได้ฆ่ามันก็ไม่ตายหมดวนทางทําได้ทั้งทีเดียวคือปล่อยมึงจ้างมึงอย่ากปุ่งแต่งไปก็เห็นว่าเห็นว่าอะไรก็เห็นว่ามันเป็นปุงแต่งทุกขณะปัจจุบันไม่ใช่ปล่อยแล้วไม่รู้อะไม่รู้นะปล่อยแล้วปล่อยเลยไม่รู้อะไรอยู่ชีพจารย์อาจารย์บอกให้ปล่อยไงเลยปล่อยหมดเลยไม่รู้อะไรเลยก็ไม่ใช่นะคือปล่อยแล้วก็รู้ว่ามันเป็นปุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันปุงันสังขาทันัััันนนนแหละะสสงงงขาาทไมม่ีอก ไปยุ่งอะไรก็มันก็ไม่ได้ดับมันก็ไม่ได้ไม่มีใครว่าไปไล่พยายามไล่ดับสังขารไม่มีใครพยายามไปไล่รู้เท่าทันนะมีแต่ว่าปล่อยวางมันอย่างเดียวไม่ค่อไม่ใช่ไปล่อลู้เท่าทันเพราะว่าไปไล่รู้เท่าทันมันเอาสังขารเล่นสังขารเนี่ยเพราะมันสังขารถึงทากิริยาไล่รู้ได้นะไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางได้มันต้องเอาสังขารไปเล่นแต่เราเลิกเล่นแล้วไงเราเลิกเล่นแล้วมันเอาสังขารไปไล่รู้ไล่ละไล่ปล่อยไล่วางไม่ได้เพราะเราเลิกเล่นแล้วพอยังเล่นอยู่ก็เอาสังขารไปเล่นไม่เลิก คือแต่เราเลิก ok เล่นแล้วนะปล่อยสักกามาเล่นไปแต่เราเลิก ok เล่นแล้วเบื่อเล่นก็มึงมาไม่เอาล้วเอออย่างเงี้ยให้เป็นอย่างนี้สักทีิเบื่อเล่นก็มึงอยากเล่นเล่นไปไม่งช่แล้เบื่อเล่นก็มึงแกนั่นแหละมานที่บางตาใจเปิดเลยพบใจที่ว่างเปล่าเลยเข้าใจไหมที่ท่นบอกว่าดูจิตดูใจมันดูหนังดูละครอยากเข้าไปเล่นนะอย่าเข้าไปเป็นผู้สแสดงอย่าเข้าไปเป็นผู้เล่นให้เป็นผู้ดูผู้รู้ให้ดูจิตดูใจมันดูหนังดูละคร อยากเข้าไปเป็นผู้เล่นอยากเข้าไปเป็นผู้แสดงถ้าเรายังพยายามจะเอาสังขารในการห้าไปทำอะไรอ่ะมันเป็นผู้เล่นผู้แสดงไม่เลิกให้ดูจิตดูใจมันดูหนังดูละครอย่าเข้าไปร่วมเล่นอย่าเข้าไปเป็นผู้แสดงมันจะเป็นผู้เล่นผู้แสดงไม่เลิกสัาทีไม่เป็นผู้ดูทักทีเข้าใจไหมล่ะไม่มีอะไรหรอกเราปล่อยมัน มันก็ปรุงไปใจมันก็เลยสงบเลยมันก็เลยว่างแต่ความสงบและความว่างก็ไม่เป็นของใครไม่ได้เป็นใครไม่ได้เป็นเราเป็นอะไรก็เป็นธรรมชาติที่มันมีอยู่แล้วแค่นั้นเองมันจะปุกปรุงไปอ่ะจะปุกปุ ง, ป ง, ปงต่นหน้าตาแต่เห็นว่าเป็นสังขารหมดเลยไงโอเค่นั่นแหละแต่ถ้าเรายังเอาสังขารไปเล่นไปคิดไปวิเคราะห์วิจารวิจัยนีเ่เรายังเล่นกับสังขารไม่เลิกลงมาเป็นผู้สแสดงเป็นผู้เล่นไม่เลิกเลยเนะี้ย ได้ดูหนังดูละครเหมือนเหมือนเป็นผู้ดูผู้รู้แต่เราไปเป็นผู้เล่นผู้แสดงอยู่นั่นแหละเราก็ถ้าเอาจิตเนี่ยจิตนเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนี้ปรับปรับแต่งแต่งแก้ไขอยู่นั่นแหละหลายคนเราบอกว่าจะไปยุ่งมันกับอาการของใจเ่ยพยายามจะไปปรับปรับแต่งแจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นงั้นจิตเป็นอย่างงี้อยากให้เป็นอย่างนี้อันนี้มันเป็นกิเลสท่านกล่าวว่ามันเป็นกิเลสมันเป็นกิเลสอน่ยจิตเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้อย่างใี้มันเป็นกเเลราาทํอย่างนี้ะกิเลน เนี่ยมันเป็นทางตรงข้ามพันิพานพันธิพานคือสิ้นผู้ยึดก็เลยสิ้นกิเลสแต่เรายังยึดอย่างเนี้ยมันก็เลยเป็นกิเลสอยู่นั่นแหละมันเลยเดินทางตรงข้ามพันิพานเนี่ยอ่านใจตัวเองให้ขาดเท่นั้นแหละแค่นี้แหละไม่ใช่ว่าปฏิบัติเพื่อจะไปเอาอะไรหรอกถ้าปฏิบัติจะไปเอาอะไรได้เดินทางตรงข้ามหมดเลยปฏิบัติอ่ะอ่านใจตัวเองให้ขาดเท่านั้นเองมีหน้าที่อ่านใจตัวเองให้ขาดอย่างเดียวเลยว่าปฏิบัติเอ่ะ ปฏิบัติแบบนี้ทำอย่างเงี้ยจะไปเอาอะไรเนี่ยจะไปเอาอะไรเอาอะไรไปกิเลสบดเพราะเอากิเลสเอาอะไรไปกิเลสไปเอาอะไรเดินทางตรงข้ามพนิพานหมดพนิพานคือวันสิ้นผู้จะเอาพอสิ้นผู้จะเอาก็สิ้นกิเลสสิ้นผู้จะเอาก็เลยสิ้นทุกสิ้นทุกพ้นทุกไม่รู้นิพานไปเพราะมันสิ้นผู้จะเอาแล้วถ้าปฏิบัติโดยจ้ากรมโอ้โหเดยจ้ากรมทั้งวันตั้งคืนนั่งามาี่หลับตาทั้งวันเถิดแต่นั่งเพื่อจะไปเอาอันเนี้ยต่อให้นั่งให้นานที่สุดเท่าไหร่เดินเจ้ากรมไม่นานที่สุดไม่หลต นี่เดินทางตรงข้ามปฏิพานอ่านใจตัวเองให้ขาดนะเนี่ยสติปัญญามีหน้าที่แต่เท่านี้เองอ่านใจตัวเองให้ขาดไม่ได้ปฏิบัติอะไรปฏิบัติรูปแบบสวยงามมากเลยนั่งสวยงามมากเดินสวยงามมากผอมผ้าของผ้าสวยงามมากบริสุทธิ์ผุดพองแต่ข้างในเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อจะไปเอาสวยแต่ข้างนอกข้างในเป็นแต่กิเลสอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ นั่งสมาธิ car, หลับตาถามลูกถามขามเดินจงกรมถารลูงถามขามแต่มันจะไปเอาจะไปเอาจะไปเอานิพพานไม่มีทางอะ่ะเพราะว่าถ้าจะไปเอานิพพานมันเดินทางกิเลสมันตรงข้ามพระนิพพานถ้ายังมีผู้จะเอาไปกิเลสหมดแม้แต่จะไปเอานิพพานไปเอาความสุขจะไปเอาความสุขที่ทุกข์ไม่มีกำลังเดินทางกิเลสนะพยายามจะเอาความสุขที่ทุกข์ไม่มีพยายามไปเอาอาการของใจที่มันโปร่งมันโล่งมันเบามันสบายมันว่าง ลังเกียรตอาการของใจที่ไม่ปล่กไม่โลกไม่เบาไม่สบายไม่ว่างอันนี้มันเป็นกิเลสเดินทางไปเอากิเลสคืออย่างนี้จะเอาอย่างนี้ไม่เอามันเป็นกิเลสถ้าเดินทางกิเลสต่อให้เดินทางจมกลมทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนั่งนา่งสทาธตั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนนี่ยมันกำลังเดินทางไปหากิเลสมันเดินทางตรงข้ามพันธิพานต้องเฉลียวใจนะอ่านใจตัวเองเองค่ะแล้วเฉลียวใจว่านี่เราเดินทางไปตรงข้ามพันธิพานเราจะเอาจะเอาจะเอา ดีรักชั่วชังเกียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังเกียรทุกข์รักสุขอยู่นั่นแหละอันไหนที่ถูกใจจะเอาก็หาตัวอันไหนที่ไม่ถูกใจผักไสออกไปอย่างเดียวมันเดินทางกิเลสนะแบบเนี้ยอันไหนถูกใจจะเอาก็หาตัวอันไหนไม่ถูกใจมันผักไสจะผักใสออกไปนอกตัวอันนี้มันเดินทางกิเลสมันเป็นทางตรงข้ามไม่ไผานให้ปล่อยวางอันนี้เสียปล่อยวางผู้จะเอาเสียปล่อยวางที่ว่าไอ้ดีจะเอาก็หาตัวไอ้ไม่ดีเนี่ยผักออก่ะ มันเป็นยังไงก็เห็นเป็นสังขารดังนั้นแหะอาการยังไงก็เป็นสังขารดังนั้นแหะอาการอย่างนก็เป็นสังขารดังนั้นแ่ะมันเป็นสังขารดังนั้นแหะมันก็เป็นอย่างเนี้ยอาการสังขารก็ต้องสลับไปสลับมาเพราะเป็นของไม่เที่ยงอ่ะควรหรือที่เธอเข้าควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเพราะมเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เร่าภาษาวกก็เป็นทุกข์พระเจ้าค่ะแล้วสิ่งนั้นเน่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ควรหรือที่เธอเข้าไปยึดมั่นว่ามันเป็นของของเราตัวตนมัน นั่นแหละก็ปล่อยวางหมดก็รล้อลหรหันต์หมดไม่อนัตตลกนณสูตรไงนี่เนี่ยที่เขบอกว่าท่านิมนต์หลวงปู่ชอบฐานนาทโมขึ้นไปเทศหลวงปู่ชอบท่านเป็นพระอรหันต์ที่พูดน้อยก็เลยบอกว่าหลวงปู่เทศสั้นๆก็ได้ไม่ต้องเทศยาวหลวงปู่จะกระขึ้นบนบนทรรมารแล้วก็วางแล้วท่าก็ลงเลยเอขาบอกให้ท่านเทศสั้นๆไง นั่นแหละเทสเอาแต่เนื้อของทำหัวใจของทำประเทศจบวางเลยลงเลยวางแล้วก็ลงเลยนั่นแหละแค่นี้เองหัวใจของทำวางสุขก็แต่หลวงปู่ท่านใช้คำหลวงปู่ทาจะสย์ธรรมหอภาสครูอาจารย์ท่านใช้คำฉลาดอคนมันเคยปฏิบัติละใจมันสงบมากเลยแต่มันมันไม่สงบเหมือนเดิมมันวุ่นวายวัววัววมันไม่สงบเหมือนเดิมเครียดมากเลยเครียดอยู่นานเป็นเดือน เล่าให้เราฟังเครียดอยู่นานมากเลยพยายามจะให้มันสงบเหมืนที่เคยเป็นไม่ไม่เป็นนาทีพอเจอหน้าหลวงปู่ทาหลวงปู่ทาบอกเลยสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทั้งนั้นแหละสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามาทั้งนั้นแหละแค่นั้นแเอะเขาบอกว่าไอทา้ที่เขาทุกเขาเครียดมาเป็นเดือนๆหายหมดเลยหัวเราออกเลยคือได้คาพูดของท่านท่านไม่ได้บอกว่าให้วางแต่ท่านบอกว่า สงบก็ oui,, online, crying, right. เอาไม่สงบก็เอาเหมือนกับว่าสุขก็เอาทุกข์ก็เอาเอามาทางนั้นแหละไม่ว่าสุขหรือทุกข์เอาหันหมดเลยท่าไม่ได้บอกว่าให้ผักสามันให้ว่าให้วางมันแต่ท่านใช้คาพูดฉลาดท่านว่าสุขก็เหมือนกับสุขก็เอาทุกข์ก็เอาเอามาทางนั้นแหละท่าเป็นพระอิสานเลยโอดุบุนท่านก็เลยพูดภาษาอิสานสุขก็เอาทุกข์ก็เอาเอามาทางนั้นแหละไม่ว่าสุขหรือทุกข์เอาหมดหมดฟุกซายก็เอาสงบก็เอาแค่นั้นแหละ ไอ้ที่เครียดเครียดกับใจไม่สงบอ่ะหายเลยขายเครียดเลยเอหายเครียดนั่นไงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านฉลาดเอออย่าลืมปฏิตั้งที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจสังเกตที่ใจไล่ใจไปวางที่ใจไม่ใช่ว่ารู้เพื่อไปเอาอะไรหรอกรู้เพื่ออ่านใจตัวเองให้ขาด<อ>แค่นั้นเองว่ามันสิทธิภูมจะเอาหรือเปล่าปฏิบัติอะไรจะไปเอาอะไรมันกี่เดชทั้งนั้นแนะต่อให้ ปฏิบัติที่สวยงามสวยหรูรู้ธรรมมากบรรยายธรรมมากมีคําพูดที่สวยหรูปฏิบัติยังไงทําก็เปลี่ยนได้มากแต่จะไปเอาอะไรมันไปกี่เด็ดทั้งนั้นแน่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เด็ดปไม่ใช่เด็ดปล่อยวางเลยออไม่มีอะไรหรอกที่จะอะัศจรรย์อัศจรรย์ขนาดไหนถ้าไม่ปล่อยวางไม่อัศจรรย์อัศจรรย์ที่สุดคือความปล่อยวางมีสภาวะธรรมมีกันอะไรขนาดไหนที่มันอัศจรรย์ที่สุดอะไม่อัศจรรย์เลยถ้าไม่ปล่อยวาง คนที่ปล่อยวางได้ทั้งหมดไม่แต่อัศจรรย์คนนั้ น, นอัศจรรย์ไม้แต่สภาวะที่อัศจรรย์ที่สุดเนี่ยก็ยังปล่อยวางได้คนนั้นอัศจรรย์ที่สุดแหละไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดเลยสักอย่างเดียวเพราะอะไรก็มันสังขารทั้งนั้นนี่ยอาการอะไรอัศจรรย์ก็สังขารทั้งนั้นเนี่ยอะไรก็สังขารทั้นนงนนหมดอ่ะสังเกตไหมรูปพระพุทธเจ้าอ่ะ รูปปั้นพระพุทธเจ้ารูปหล่อพระพุทธเจ้าปางปฐมเทศนาเนี่ยทํามือยังไงปางรูปรูปหล่อพระพุทธเจ้าเนี่ยที่เขาทาเป็นรูปประทับเนี่ยเพื่อเห็นนามธรรมเขาทาเป็นรูปประทับเพื่อเราเห็นเป็นนามธรรมรูปหล่อปางพุทธเจ้าปางประฐมเทศนาเนี่ยทํามือยังไงเอ้าทามือไงปางปฐมเทศนาทํามือไงทํามือไงปางประฐมเทศนาทํามือไง เออเด็ดเทำมืออย่างปอนี่นี่ทำมืออย่างปอนี่แต่มือที่ทำงี้แต่ล้นิ้วเกี่ยวยังไงแล้วแต่นิ้วเกี่ยวอะไรทำทำนองเนี้ยเนี่ยเนี้ยปางปฐมเทศนาเนี้ยเพื่อหเห็นเป็นนามธรรมาแต่สร้างเป็นรูปธปรปรมมันเก๋ไหมเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ย มือมีลักษณะอย่างไงดูสิมือมีลักษณะอย่างไอเนี่ยทาไมปางประสบสนาสนมือจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะอะไรทศเกตไหมล่ะทําไมเป็นอย่างเงี้ยปางประสบปสนาแล้วทาไมปางที่ต ah. ัดสลุ่ะปางตัดสลุ่ยทิวเจ้าตัดสรู้ยต้ณฑ์โพทําไมจึงเป็นมือจึงเป็นอย่างเงี้ยปางตัดสลุ่ยทำไมมือจึง ปล่อยวางลงแล้วทําไมปล่าปฐมศาสนามือจะเป็นอย่างเงี้ยือทําไมปล่าปฐมศาสนามือจะเป็นอย่างเงี้ยท่านสังเกตไหมอะอืมเออสิ่งใดที่ชอบดูดเข้าหาตัวเองสิ่งใดที่ไม่ชอบผลักออกไปเกียรทุกรักสุขดีรักชั่วชังดีลักชั่วชัง เกียรติทุกข์รักสุขถ้ายังทําอยู่อย่างเนี้ยสองมือเนี่ยมันเกี่ยวกันล้างกันไม่ไปยังไงมันจะล้างก็อยู่อย่างเนี่ยมันจะล้างกันให้เป็นทุกข์มันจะล้างกันให้เป็นทุกข์มันจะล้างกันให้เป็นทุกข์ปล่อยวางขันห้าเสีไในสุด จะเหลือแค่มือเดียวที่ทำปางเนี่ยคือห้านิ้วเนี่ยแล้วก็นิ้วจีบกันเป็นวงกลมเหลือมือเดียวเนี่ยที่สามนิ้วยกขึ้นอีกสองนิ้วจีบเป็นวงกลมหมายถึงอะไรหลวงตาผาลูกศิษย์ไปที่อินประเทศอินเดียอยู่ๆมีตอนที่เขาอธิบายว่านี่เป็นขันทภูดีพระพุทธเจ้า มีลูกศิษย์คนหนึ่งกระซิบลงตาว่าลงตากระซิบลงตาว่าอาจารย์เราจะรู้ได้ไงว่ากุฏิเนี่ยเป็นกุฏิของพระเจ้าจริงเขาหลอกเราหรือเปล่าสิน้นคําพูดของลูกศิษย์เลยแหละคือเขาไม่ได้บอกมาตรงนะั้นเขาคือว่าเขาไม่มั่นใจไงว่าตถานที่นี้มันจริงหรือเปล่าแนละ้วมันเป็นไ ป, นปนอิดอย่างเงี้ยเราจะรู้ได้ไงนี่คือกุฏิอพระเจ้าอะไรเงี้ยที่ที่อวัดเชตวันมหาวิหารนะ่ะ สิ่งคำถามกับลูกศิษก์แค่นัน่ะที่กขาพูดลูกศิษย์นั่นแหละเป็นภาพนิมิตประวัติจามาปรากฏบนเจดีย์แสดงปางนี้เลยแล้วถามว่าตัดถามว่าไหนตอบปัญหานี้สิหมายถึงอะไรไหนพูดเราตอบสิเป็นนิมิตนะเป็นเป็นภาพนิมิตเป็นนิมิตเป็นคําถามว่าที่บนบนเจดียนะ์นั้นบนบนกุฏินั่นเลยคาเทกุฏินั่นเลยแล้วก็มีนิมิตว่า จงตอบคำถามนี้สิว่านี่คืออะไรมีความหมายว่าอะไรอเมื่อ ก, กี้มันปางผสมปางอะไรผสมวิทยฐานเกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแต่นี้วางไปแล้วมือหนึ่งแล้วมือเดียวแล้วก็นิ้วจีบเป็นวงกลมอีกสามนิ้วชูขึ้นหมายถึงอะไรฮะโอเคอหรอโอเคอะนี่ยแี่ที่เขาเรียกปางโอเคนะแต่หมายถึงอะไรความหมายนี่พุทธเจ้า เป็นนิมิตนมาตัดถามจริงหมายถึงอะไรอืม <Okay. S 1> ไม่เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอานิจจังทุกครั้งอนัตตาอานิจจังทุกครั้งอนัตตาสามนิ้วก็เมื่อปล่อยวางแล้วก็จะพบอะไรอนัตตาคือความว่างเหมือนกับเอาวิชาดับก็เลยมองเห็นความว่างข้างนอกมองเห็นความว่างอเป็นเมือ น, นี้ สามนิสิติจูขึ้นปะโอเคก็คือเห็นไตรัดเห็นว่าสังขารทั้งหลายขานหน้าทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่อาจจิตมันถือมั่นได้ก็ปล่อยวางสังขารปล่อยมันสังขารไปไม่มีใครจิตมั่นถือมัน่นพอปล่อยวางสังขารอวิชชาดับปุ๊บพบเลยพ บ, บความว่างพบความว่างพอพบความว่างแล้ว มืออีกข้างหนึ่งเหลือไว้ไหมตอนตัดสลูไม่เหลือทุดท้ายทำไมก็ปล่อยวางลงเป็นปางตัดสลุ <ito> มือทั้งสองข้างวางลงบนตักอย่างสบายพบแล้วก็มาได้ยึดสิ่งที่พบนั่นแน่จิตเป็นปางตัดสลู <thermometer> ก็เลยเนี่ยพอตอบก็เลยตอบ ตัดตอบไปออตอบไปอย่างเงี้ยภาพนิมิตก็ปรากฏเป็นภาพที่ยิ้มแล้วก็เลือนหายไปเลยแล้วบอกอกราบขอเข้ามาซะนี่คือกุฏิพทธเจ้าจริงๆเขาก็เลยกราบขอเข้ามาแล้วก็แผ่เมตตาให้แกทุกจิตวิญญาณที่รักษาสถานที่นั้นห <laughs> นังสือเล่มที่จะออกเร็วๆนี้คือจบสถทีจบสัที มีปริศนาธรรมเข้าใจแค่นี้จะเข้าใจทำเนี่ยเข้าใจแค่นี้ก็เข้าใจทำถึงใจได้แหละจบสัทีเห็นไหมว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเอา้าหมายถึงอะไรนะเอาเอาไม้ไปพูดเอ า, าจารย์ที่บายเอาไม้ไปพูดหมอว่าไงเอ้าไอหมอเนี่ไม้อยู่ที่หมอหมอที่บายอืนนมเดินทางสู่ความนินพพานนะคระอาจารย์เอออ่า ตื่นดะีนะมีผู้เดินทางสู่นิพพานหมอตอบลอล้ถูกต้องถูกต้องมีผู้เดินทางสู่นิพพานคือตัวเรานี่นแหละตัวเราเดินทางสู่นิพพานก็เดินทางก็อ่านปฏิบัติทําความเพียรด้วยความตักตามตามตามาําราตามพระคัมภีร์ตามข้าวคำพีเ์เปิดไปก็มีตัวหนังสือเปิดไปก็มีตัวหนังสือเปิดไปก็มีตัวหนังสือก็ปฏิบัติไปอ่านไปมีแต่สิ่งที่มีสิ่งที่มี มีแต่สังขาสรสังขารห น, นังสือทุกตัวคือสังขารที่ออกมาเป็นตัวหนังสือทั้งหมดมีแต่สังขาสรสังขาสรสังขารทั้งหมดจนจบหนาที่เป็นตัวหนังสือทั้งหมดพอจบหนาที่เป็นตัวหนังสือทั้งหมดกลายเป็นพระไตรปิฎกไล่ตัว อ, อ, กอักษร ทำไมพระไตปิฎกจึงไล้ตัวอักษรเนี่ยเหไหกลายเป็นพระไตปิฎกคมพีไล้ตัวอักษรนั่นแหละคือสุดยอดพระคมพีคือสุดยอดพระไตปิฎกทำไมจึงพบพระไตปิฎกไล้ตัวอักษรไดนนนน้ก็เพราะอะไรทุกอย่างที่ผ่านมาเป็นสังขารทั้งหมดมีผู้เดินทาง เมื่อมีผู้เดินทางล้วนแต่เป็นสังขารทั้งหมดที่สุดสิ้นผู้เดินทางสิ้นผู้ยึดม้านเศนมันสิ้นสังขารพบคำภีที่ลายตัวอักษรเมื่อพบคำผีที่ไรยตัวอักษรจึดพ บ, ห, พบหือพบอะไรได้ดวงตาเห็นธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมได้ไรพระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันคือ ได้ดวงตาเห็นธรรม Έ ได้ดวงตาเห็นธรรมปล่อยวางขันธ์ห้าหมดแล้วได้พระโสดาบันปล่อยวางขันธ์หน้านะได้พพะโสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมเห็นไหมเนี่ยว่างเปล่าพบมา่านอวิชชาที่ปิดบังตาใจดับลงอุปทานขันธ์หน้ากระดับปุบ๊บพบใจที่ว่างเปล่าเห็นไหมพบใจที่ว่างเปล่าเนี่ยสังขารก็วางแล้ว จึงรู้ว่าที่สุดของคำภีนั่นคือใจนั่นแน่คือคำภีที่ไล้ตัวอักษรอ่านพระไตปิฎกเข้าถึงใจนั่นแน่คือพระไตปิฎกที่ไล่ตัวอักษรปล่อยวางเลยว่างเปล่าพบความว่างเปล่าแต่ เ, เมื่อพบความว่างเปล่าแล้วเราลองแบกกันไปดี แบกความว่างเปล่านั้นไปแบกทั้งสังขารแบกทั้งความว่างเปล่าไปแล้วเป็ น, นยังไงหนักอยู่แล้วที่สุดเป็นไงเขาก็วางลงไม่มีใครแบกไปทั้งสังขารและความว่างเปล่านัน่นแน่จริงเรียกว่านิพพาน